ล้วก็ขอโมทนากับพวกเราทั้งหลายที่ตั้งใจในการที่จะมาสะดับรับฟังพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านะเออในการศึกษาในการฟังพระธรรมกันในครั้งนี้ก็คือว่าโดยวัตถุประสงค์ในการที่มาศึกษาหรือฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมของพระบรมศาสสดากันก็เพราะว่าต้องการอยากจะ สืบค้นพระธรรมของพระผู้เมียภาคเจ้าเพื่อเป็นปัจจัยแก่การขัดเกลวทีนี้ว่าในการศึกษาคำสอนของพระผู้เมียภาคเจ้าเนี่ยนะโดยเฉพาะที่เราจะศึกษากันก็คือในเรื่องของสัมภารวิบากสัมภารวิบากก็คือเป็นเป็นเส้นทางการดำเดนินหรือเส้นทางการเดินทางของพระผู้เมียภาคเจ้าในการที่จะเดินทางฝ่าวันมาในสังสารวัฏ ในการที่จะเป็นบัจจัยเกี่กับการสาเร็จเป็นสัมมาสัมปวิทยาทีนี้การศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้านั้นสร้างบารมีมายาวไกลการที่เรามากำหนดระยะการเวลาศึกษาเส้นทางการดำเนินชีวิตการสร้างบารมีของพระผู้มีพระเจ้านั้นน่ใช้เวลาย่อๆนั้นเป็นเวลาที่สั้นมากซึ่งเป็นไปได้ยากมากที่เราจะได้รู้เก็บเอารายละเอียด ในการในเส้นทางการดำเนินชีวิตของว่าผู้มีพระภาคเจ้าในการที่พระองค์บ่มพ่อบารมีธรรมนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือช่วงชีวิตของเราท่านทั้งหลายก็น้อยนิดในการที่เราจะเก็บเกี่ยวในการที่จะต้องการอยากจะทราบว่าพระบรมศาสดานั้นในสังสารวัตที่ผ่านมานั้นพระองค์ทำอะไรมาบ้างที่ท่านใช้คาว่าสัมภารวิบากเนี่ยล้วก็ต้องมามองดูว่า คำว่าวิบากนั้นเป็นชื่อของรูปเวทนาทัญญาสังขารวิญญาณถามว่าขันเนี่ยนะรูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารและขันและวิญญาณขันเนี่ยมันเป็นภาระใช่ไหมเป็นภาระพระพุทธเจ้าเรียกว่าขันทภาละทีนี้พวกเราทั้งหลายเนี่ยกําลังแบกอะไรกันอยู่แบกขันทภาละฉะนั้นขันทภาระที่เรายกกันขึ้นมาในขณะปฏิสนธิขนาดเนี่ยเขาเรียกว่าได้แบกขึ้นมาแล้ว สืบจากปฏิสนธิเป็นต้นมากระแสขันทาตอศยตนาของเราท่านทั้งหลายก็ละหกละเหินเดินทางมากันอย่างยาวนานในสังสารวัตรในชีวิตแต่ละวินาทีแต่ละนาทีแต่ละชัว่วโมงแต่ละหนึ่งวันสองวันเป็นต้นมาจนถึงเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยชีวิตของเราท่านทั้งหลายเนี่ยฝ่าฟันอะไรกันมาเยอะมาก ที่ใช้คําว่าเยอะมากก็เพราะว่าโดยเฉพาะก็คือฝ่าดงของมิจฉาทิฐิเราท่านทั้งหลายที่ที่พึงสังเกตให้ดีก็คือว่าขันธะแต่ยตนาของเรานั้นน่ะมันเกิดดับสืบต่อกันมาเป็นตามลําดับนั้นมันไม่ได้เกิดดับสืบต่อกันแบบมันไม่ไม่มีเกี่ยวข้องกันแหละแต่มันเกี่ยวข้องกับความเห็นที่มันไม่ตรงเราท่านทั้งหลายเนี่ยมาจากความเห็นที่ไม่ตรงเมื่อมาจากความเห็นที่ไม่ตรงเนี่ย มันก็เลยต้องเดินทางกันยาวไกลมากถ้าเราไปสืบค้นในคมภีต่างๆที่ท่านจารึกประวัติความเป็นมาของพระบรมศาสดาไม่ว่าจะชั้นของคมภีสำปาลวิบากเสตตกีหมานิทานหรือในคมภีเกี่ยวในเรื่องของในชั้นของพระไตรปิฎกในจริยาปิฎกหรือพุทธวงศ์หรืออัปทานเป็นต้นหรือจะสืบค้นในคมภีหลังๆ ไม่ว่าจะเป็นชินาลังกาละก็ดีหรือในคัมภีร์ของเกี่ยวกันในเรื่องของมูลศาสนาที่เขาเดําเนินเรื่องมาเนี่ยนะในการรวบรวมท่านผู้รู้ทั้งหลายได้รวบรวมประวัติความเป็นมาไม่ว่าจะมุนีถาทีปณีเป็นต้นนะนะที่ท่านได้รวบรวมร้อยกองเกี่ยวกับในเรื่องของประวัติความเป็นมาทั้งหลายเนี่ยยางยกตัวอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยถ้าเราต้องการศึกษาเอาความรู้เนี่ยเนี่ยเอาความรู้เนี่ย บางทีเราก็วิ่งเที่ยวค้นหาความรู้กันอยู่นี่แหละอันมาเคยพูดมาหลายๆที่หลายๆครั้งบอกเชื่อไหมว่าพวกเราที่นั่งกันอยู่เนี่ยบางภพ บ, บางชาติเนี่ยเราเป็นผู้ทรงพระตรีปิฎกแต่ฉานในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเคยเดินวิปัสสนาจนจะบรรลุอยู่แล้วแต่ก็พลาดบางครั้งเราก็เกิดเป็นยาจกวณิพกบางครั้งเราก็ไปอยู่ในเอเวจี บางครั้งเราก็ไปอยู่ในนรกธรรมดาบางครั้งเราก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบางครั้งเราก็เกิดเป็นเปลตบางครั้งเราก็เป็นอสุรกายบางครั้งก็เป็นมนุษย์บาใบบอดนวกบางครั้งก็เป็นราชามหากษัตริย์บางครั้งก็เป็นจักรพรรดิีราชบางครั้งก็เป็นเทพเป็นเท้าสกะบางครั้งก็เป็นพรหมป็นเท้ามหาพรหมนี่คือสังสารวัตรนี่แหะคือการเดินทางยาวไกล สิ่งที่เรากําลังทากันอยู่นี่คือสิ่งที่เรามาทำใหม่หรือมาทำเก่าก็คือเป็นสิ่งเก่าที่เรามาทำกันใหม่ทั้งนั้นนี่แหะคือโทษของการออกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้ังั้นที่เรามานั่งวิ่งวิ่งเรียนนั่งฟังพระธรรมกันอยู่ก็คือมาเรื่องเดิมนะมาเรื่องเดิมนี่แหละแต่เราฟังแล้วเราทำลายสักยธทิฐิคือความเห็นผิดไม่ได้ เมื่อเห็นผิดทำลายความมหจฉผิดไม่ได้เนี่ยในที่สุดจริงๆเราก็กลับกลายเป็นทำให้ความมิจผิดนั้นกําเริบซะเองแล้วในที่สุดจริงๆเราก็ไปกระทำสิ่งที่ชั่วช้าเร็วสงังแล้วก็ตกนรกไปแล้วก็ออกจากวัตฏะไม่ได้ถ้าถามว่าเราท่านทั้งหลายที่มานั่งกันอยู่เนี้ยบุคคลที่น่ากรุนาที่สุดคือพวกเราแต่ละบุคคลนั่นแหละ แม่นาตมาเองก็น่ากรุณาตันเองท่านทั้งหลายก็น่าการุณาตันเองที่มันจะต้องยกขันธภาละบริหารขันธภาละแบกขันธภาละแล้วก็ไปจบลงที่จุดติขนาดแล้วก็ปฏิสนธิก็ยกขันธภาระแบกขันธภาระบริหารขันธภาละแล้วก็ไปจบลงที่จุดติขนาดแล้วก็ไปยกใหม่บริหารใหม่จุดจบใหม่ชีวิตมันไม่มันเป็นแบบนี้ทีนี้ บางชีวิตเนี่ยมันรอดรอดหมายความว่าอะไรมันรอดทางหนึ่งก็คือหมายความว่าเขาตั้งโพธิ์ที่ไว้ในใจตั้งสาวกกับโพธิ์ทปเจกับโพธิที่แล้วก็สัมมาสัมโพธิไว้พอเขาตั้งไว้เขาก็ดาเนินแล้วอัธยาศัยที่เขามุ่งมั่นยกตัวอย่างพระบรมศาสดาของเรา เราจำได้ไหมว่าทำไหมว่าหลายหายท่านเนี่ยบอกว่ า, วาเวลาฟังพระธรรมเนี่ยดูเหมือนเรื่องเก่าทำไมเราฟังไม่ไม่ลดหน้าไปสักทีเลยฟังเรื่องเก่าๆไอ้าามาก็บอกว่าเอาชีวิตจริงของเราสยทำไมเราต้องกินอาหารทุกวันทำไมเราต้องเข้าห้องน้ำห้องนั้นทุกทุกวัน ทำไมเราต้องเข้าบ้านออกบ้านหลังนั้นทุกวันโทษของการไม่รู้เราก็เป็นแบบนี้คน<ม>ที่เขารู้คนที่เขาบรรลุแล้วเนี่ยเขาปรินิพานหมดแล้วเขาไม่ต้องมานั่งเรียนอย่างเราแล้วไม่นั่งไม่ต้องมานั่งขัดเกลาวแล้วถามว่าถ้าเราไม่เรียนไม่ฟังแล้วถ้าสุตตะไม่มีแล้วจินตามัยยปัญญาภาวนามื่ปัญญามันจะเกิดได้อย่างไง ถ้าเรายิ่งจะกระหายความรู้อย่างเดียวฟังเอาความรู้อย่างเดียวแต่การขัดเกลาไม่เกิดถามอะไรเกิดขึ้นในสุดท้ายเราก็ไปบ่มพร้อ้ตัวมิจฉาทิฏฐิใหม่ๆเพิ่มความเห็นผิดขึ้นมาใหม่ๆมันก็ออกจากวัตตะไม่ได้การเป็นผู้ทรงคําสอนแค่นั้นมันพอหรือยังมันไม่พอ ถ้าจะทรงด้วยตัณหามาหน้าทิฏฐิมันก็ผิดหรือหรือถ้ายิ่งไม่รู้เลยยิ่งพลาดใหญ่ฉะนั้นตรงนี้ถึงบอกว่าอยากจะบอกเราท่านทั้งหลายบอกว่าการศึกษาหรือการฟังพระธรรมนั้นต้องฟังให้เป็นหนึ่งเวลาเราจะเดินหรือว่าศึกษาพุทธคุณเนี่ยก็ต้องพูดค่อนข้างจะซ้ำหลายครั้งก็คือพูดเรื่องอะไรรู้พูดในเรื่องของวิมุตตา ย, ยะตนะ เขตของความหลุดพ้นอาตมาจะไม่ค่อยจับคำพีร ต, ตรงนี้นะอาศัยว่าพูดมายืนยําได้เกือบหมดแล้วเนี่ยก็คือว่าหลายหลายท่านเนี่ยไปเข้าใจว่าการขัดกเกากเีดเนี่ยมีอยู่มุมเดียวเท่านั้นแหละคือการไปเข้าห้องกรรมาฐานอาตมาก็บอกว่าตรงนั้น ถ, ถูกถูกแล้ว ในห้าอย่างถูกหนึ่งอย่างเท่านั้นเองการขัดเกลาเนี่ยถ้าลองมาดูว่าในหลักของวิมุตตายตนะเนี่ยท่านกล่าวไว้อย่างไงในหลักของวิมุตตายตนะเนี่ยท่านกล่าวไว้เกี่ยวในเรื่องของการฟังธรรมเพ่อจะเป็นปัจจัยการบรรลุโดยเฉพาะว่าถามว่ามีไหมในสมัยขั้งพุทธกาลในคนฟังพุทธคุณแล้วในขณะนั้นแล้วท่านบรรลุอายกตัวอย่างแม่ของภาษารีบุตรเป็นต้น แม่ของภาษาริบุตรฟังอะไรฟังพุทธคุณและแม่ของพระยภาษาริบุตรนั้นบนรรลุตอนไหนบนรรลุตอนที่ฟังจบมันก็ต้องไปสืบค้นว่าเขาฟังกันอย่างไรที่เขาขัดเกลาได้ในการที่ฟังแล้วบรรลุเนี่ยก็แปลว่าช่องทางแห่งการบรรลุนั้นพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ในมิมุตายะธนะใช่ไหมบอกว่าฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าฟังธรรมจากสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อเธอฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วเธอเป็นผู้รู้แจ้งอัฏฐะรู้แจ้งธรรมะเมื่อเธอรู้แจ้งอัฏฐะรู้แจ้งธรรมะแล้วปลาโมสดย่อมเกิดขึ้นแก่เธอเมื่อปลาโมสดเกิดขึ้นแก่เธอแล้วเนี่ยหลุดจากปลาโมสดแล้วเข้าถึงปีติเมื่อเข้าถึงปีติหลุดจากปีติเข้าถึงปัสสัตทิคือความสงบเมื่อเข้าถึงความสงบเบ็ดเสร็จแล้วก็เข้าถึงความสุขเมื่อเข้าถึงความสุขแล้วสมาธิก็เกิดขึ้นแก่เธอทั้งหลาย นี้แหละบิกษุทั้งหลายนี้ก็เป็นวิมุตตายตนาข้อแรกในบรรดาเหตุแห่งความหลุดพ้นหอย่างนี่แปลว่าอะไรแปลว่านี่ฟังทำจากพระเจ้าและสาวกของพระเจ้าท่านผู้ที่ฟังเองแล้วบรรลุใช่ไหมทีนี้ก็ต้องไปสืบค้นดูว่าท่านฟังอะไรท่านวางใจกันอย่างไรท่านจึงบรรลุท่านจึงหลุดพ้นก็แปลว่าท่านตั้งอัธยาศัยคาว่าสมาธิยติในที่นั้น่ะ อักถาท่านหมายความว่าสมาธิที่ในอรหัตผลทีนี้พอสมาธิที่ในี้อรหัตผลเอาไปเชื่อมเดี๋ยวเาอัตมาเชื่อมโยงสูตรเยอะนี่นะเดี๋ยวจะเชื่อมมีต้องถ้าไม่เชื่อมไม่เข้าใจจริงๆก็ไปเชื่อมในมหาจตารีสกัสูตรในมหาจตารีสกัดสูตรพระบรมศาสด า, าตรัสว่ายังไงบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงสมาธิที่เป็นอริยะแก่เธอทั้งหลาย บอกสมาธิที่เป็นอริยะเนี่ยเป็นสัพปนิสังบอกเป็นธรรมะที่มีปัจจัยเป็นธรรมะที่มีเหตุสมาธิที่เป็นอริยะนี่เป็นสัพปริบอกว่าเป็นสัพปริขาระบบทหมายก็มีบริขารมีบริขาระก็แปลว่ามีรรมมทำมีมีองค์รวมมีธรรมะที่เข้ามาอุดหนุนเมื่อเกื้อห น, นุนจะทําให้สมาสมาธินั้นน่ะบริบูรณ์ได้ทีนี้ทําไมท่านถึงตั้งสมาสมาธิไว้ เหตุผลที่ท่านตั้งธรรมมาสมาธิที่เป็นอริยะไว้ก็เพราะว่าสัมมาสมาธิที่เป็นอริยะนั้นเป็นสรมมาสมาธิที่เป็นโลกุตระก็ไปเชื่อมในวิมุตตายตนะห้าในวิมุตตายตนะแปลว่าสรมมาสมาธิเห็นไหมบอกว่าปลาโมดปีติปัสสธิความสุขสมาธิอันนี้เป็นหลักเหตุผลความหลุดพ้นสมาธิในที่นั้นอัตถกถาท่านบอกสมาธิที่ในอรหัตผล คำว่าสมาธิที่ในอาราถผลก็แปลว่าสมาธิที่หลุดพ้นแล้วเวลาพระุทธเจ้าไปสอนในสูตรอื่นในเชื่อมโยงสูตรอื่นเอามาเชื่อมโยงกันก็จะเห็นว่าสมาธิที่เป็นอาราถผลเนี่ยพุทธเจ้าเอามาตั้งเขาไว้บอกว่าถ้าเธอปรารถนาจะบรรลุอาราผลจะบรรลุสมาสมาธิที่เป็นอาราถผลจะต้องรู้ปัจจัยของสมาธิที่เป็นอลราถผล จะต้องรู้องค์ประกอบของสมาธิธที่เป็นอนาัตผลก็ Κ าถามบอกว่าอะไรเราเป็นเป็นองค์ประกอบอะไรเระเป็นเหตุปัจจัยของสมา ธ, ธิที่เป็นอริยะก็บอกสัมมาทิฏฐิไงคือความเห็นชอบสัมมาสังกปะคือความดําริชอบสัมมาวาจาการเจรจาชอบการสัมมากรรมมันตะการทําการงานชอบสัมมาชีวะการเลี้ยงชีพชอบเนี่ยสัมมาวายามะความเพียรพยายามชอบเนี่ยสัมมาสติการระลึกชอบสมาเนี่ยเจ็ดอเนี่ย เป็นเหตุของสมาสมาธิที่เป็นอายะเจ็ดองเนี่ยเป็นปัจจเป็นเป็นบริขารแวดล้อมของสมาสม า, สมาธิที่เป็นอายะมองเห็นไหมทีนี้การฟังธรรมโดยเฉพาะเราจะฟังพุทธคุณต้องการอยากจะทราบคุณของพระผู้มีพระเจ้าใช่ไหมเดี๋ยมาจะมาเชื่อมโยงให้ดูว่าเออเราฟังธรรมฟังพุทธคุณคือคุณของพระผู้มีพระเจ้าเนี่ยถามว่าศึกษาสัมภารวิบาก ก็คือศึกษาเส้นทางการเดินทางของพระโพธิสัตว์การศึกษาเส้นทางการเดินทางของพระโพธิสัตว์เพื่ออะไรเพื่อต้องการอยากจะเห็นคุณของท่านว่าท่านได้เก็บเกี่ยวหรือทำอะไรโดยเฉพาะที่บอกว่าท่านสร้างอัธยาศัยในการที่จะบําเพ็ญบรารมีเนี่ย ในการที่จะเป็นพระพุทธเจ้านเนี่ยนะท่านบำเพ็ญบา ร, รมีมานั้นนะ่ะท่านบำเพ็ญบา ร, รมีอะไรมาในครั้งก่อ น, นเนี่ยนะพูดถึงในเรื่องของการบำเพ็ญบา ร, รมีเกี่ยวในเรื่องของพูดธสัมภารวิบากเอาไว้ท่านทั้งหลายถ้าเคยตามในกรณีการฟังก็จะพอจำจำได้นี่นะบอกว่า ในการที่พระบรมศาสดาเนี่ยท่านมีพระคุณใช่ไหมเมื่อกี้เราสวดกันบอกว่าอิติปิโสภควาอรังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมปันโนเป็นต้อนอะไรนี้นะสุขโตโรควิทูนตโรปุริสธรรมสารถิเนี่ยสัทธาเดวมุนสางพุทโภภควาตีเนี่ย น, นะในอิติปิโสเนี่ยถ้าเขาจะร้อยกองเป็นรัตนา ม, มาลาเป็นพุทธคุณให้กว้างขวางบรรดาท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านเอาทุกศัพท์มาร้อยกอง เช่นจะคําว่าอิคำหนึง่งติคำหนึง่งปิคำหนึง่งโส vie, คำหนึง่งพระคํานึ ง, น ง, น ง, นงแล้วก็คะแล้วก็วาแต่ละคําท่านก็มาร้อยก่องท่านบอกว่าอิโทสพันยุตญาณังอิฉันโตอาสวะคายังอิทังดัมมังอนุปปโตอิทิมันโตนมามิหังบอกว่า พระบรมศาสดาพระพุทธเจ้าพระองค์ใดปรารถนาแล้วซึ่งสัพัญญุตยานปรารถนาอยู่ซึ่งทำเป็นที่สิ้นไปแห่งกรรมมาสวะภาวาสวะทิฏฐสวะอวิชชาสวะถึงโดยลําดับเส้นทางแห่งการเดินทางของบรมศาสดาที่ปรารถนาและพระองค์ก็เดินมาตามลําดับตามสัมภารวิบากที่เราท่านทั้งหลายจะศึกษากันเนี่ยแล้วท่านถึงโดยลําดับแล้วซึ่งทำอันพระองค์ทรงปรารถนา ถามว่าพระองค์ปรารถนาสัพพัญญุตยานเพื่อได้สัพพัญญุตยานแล้วสัพพัญญุตยานของพระองค์นั่นแหละมาแทงตลอดในพระธรรมแทงตลอดกระแสขันหมื่นหรือแสนโกรธล่วงกระทาแล้วในสุดจริงๆพระองค์ก็ได้สัพพัญญุตยานนั่นแหละผลิตพระธรรมออกมาใยะเราท่านทั้งหลายได้เห็นแสงสว่างของชีวิตในทิศในการที่จะเดินออกจากสังสารวัฏ แตส่สูงสุดของพระผู้มีพระเจ้าที่พระ อ, องค์ทรงปรารถนาคืออะไรคืออนุปาธาปรินิพานซึ่งพระ อ, องค์ก็ได้บิณฑเสร็จแล้วสรุปแล้ ว, ว่าภาระของท่านเนี่ยท่านวางท่านวางภาระได้แต่เส้นทางกว่าที่ท่านจะวางได้เนี่ยท่านต้องแบกทุกข์ของเราท่านทั้งหลายไว้ในตนซึ่งเป็นความเจ็บปวดมากท่านต้องยอมแบกความทุกข์ของเราในขณะที่เราท่านทั้งหลายไปตกนรกเป็นอบายสัตว์ ในขณะที่เราท่านทั้งหลายมาเป็นมนุษย์แล้วหาทางออกจากสังสารวัฏไม่ได้ในขณะที่เราท่านทั้งหลายไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมทั้งหลายแต่เราก็แวดล้อมด้วยทิฐิทั้งหลายเต็มเปี่ยมด้วยมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายเราแหวกวงจรของมิจฉาทิฐิออกไม่ได้เพราะเราได้บุรุษใจเพชรอย่างที่พระบรมศาสดานี่แหละที่ท่านปรารถนาสัพพัญยุทธญาณปรารถนาอนุปาธาปริณิพานคือจริงๆถ้าท่านจะเอาอนุปาธาปริณิพานท่านได้ตั้งแตนมนานแล้ว ท่านไม่ต้องมาเจ็บปวดท่านไม่ต้องมาเหน็ดเหนื่อยท่านไม่ต้องมาทนยากทนความลําบากอะไรเลยแต่ด้วยการที่ท่านเนี่ยมีปัญญามีมหากรุณาในการที่จะมาตรวจดูกระแสะขันของเราท่านทั้งหลายว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยจมไปด้วยมิจฉาเต็มไปด้วยมิจฉาทิฏฐิแล้วก็มีโมหะคือความมืดมนอนตะการครอบงําแล้วเราก็แหวกวงจรของความมืดหรือมิจฉาทิฏฐิหรือความเหจฉิผิดออกไม่ได้พระองค์ก็เลยต้องอ เอาความทุกข์ของเราท่านทั้งหลายใส่ไว้ในตนก็ยอมลําบากคนอื่นที่เขาไม่ปราถนาอย่างท่านก็พากันไปบรรลุบรรลุกันเกือบหมดก็เหลือแต่ท่านต้องแบกความทุกข์อย่างยาวไกลถ้าเราดูอย่างเส้นทางของสังสารวัฏที่ท่านดําเนินทางมาเนี่ยยาวไกลมากเราดูแค่คัมภีร์สัมภาระวิบากที่ท่านสืบค้นได้เราจะเห็นเราจะเห็นว่าเริ่มตั้งแต่ก่อนที่ว่ามานพหนุ่มเนี่ย เริ่มเริ่มแบกมารดาข้ามมหาสมุทรแล้วมีพรมมาโดนใจให้ท่านปราถนาเนี่ยในการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่แล้วการเดินทางมากว่าโลกจะแตกดับแต่ละใบแต่ละใบดับไปแล้วเกิดใหม่โลกแตกไปแล้วเกิดใหม่ท่านเกิดมากี่ล้านล้านครั้งต่อโลกหนึ่งใบฉะนั้นกรณีที่จารึกเนี่ยมันเป็นเรื่องน้อยมากแต่ใครเราจะเห็นคุณของท่าน ทีนี้คนที่ไม่เห็นคุณของพระพุทธเจ้านั้นจักเห็นโทษของสังสารวัตรเป็นไปไม่ได้เพราะใครเห็นคุณของพระพุทธเจ้าบ่งบอกว่าท่านผู้นั้นเห็นโทษของสังสารวัตไม่ว่าจะพระพุทธเจ้าระดับปัญญาทิกาอุริศรัทธาทิกะหรือวิริยาทิกะไม่ว่าจะยี่สิบอสง์ไขสี่สิบประสง์ไขหรือแปดสิบประสง์ไขล้วนแต่เกี่ยวเนื่องกับสังสารวัต ทีนี้ถ้ามาพิจารณาอย่างนี้ว่าคนบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าตนเองติดสังสารวัตไม่เข้าใจว่าตัวสังสารวัตเนี่ยมันเป็นคุกนี่นิกลุ่มหนึ่งส่วนอีกกลุ่มหนึ่งรู้ว่าสังสารวัตรที่เป็นคุกแต่มันยินดีเพลิดเพลินพอใจในสังสารวัตในคุกไปแล้วนี่กลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่ง เข้าใจสังสารวัตผิดกลุ่มที่เข้าใจสังสารวัตผิดเนี่น่ากลัวมากน่ากลัวยังไงคือกลุ่มนิยตามิชาทิฏฐิถามว่ากลุ่มนิยตามิชาทิฏฐิเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตอของวัตตะแปลว่าเป็นกลุ่มชนที่ออกจากวัตตะไม่ได้ ถาว่ากลุ่มชนที่ออกจากวัตาไม่ได้นี้ไปอย่างไรก็ไปจากสักยทิฐิอย่างเราท่านทั้งหลายที่กําลังมีอยู่นี่แหละโทษที่ไม่ระมัดระวังโทษที่ไม่ป้องกันเหมือนคนบางคนมีเชื้อมะเร็งนิดหน่อยก็ประมาทมัวเมาไม่ยอมไปตรวจไม่ยอมไปเช็คไม่ยอมไปรักษาก็ปล่อยประมาทเลินเล่ในที่สุดจริงๆรมะเร็งมันกําเริบแล้วก็จะตายด้วยมะเร็งเป็นต้น เราท่านทั้งหลายมีเชื้อมะเร็งกันหมดเลยอาหารที่เราบริโภคกันเข้าไปในล้วนจะเป็นปัจจัยการก่อมะเร็งได้ทั้งนั้นแต่เราก็ไม่เคยไม่เคยวิตกกังวลตรงนั้นปัญหาบอกว่าเรามีเชื้อของนิยตามิจฉาทิฐิทุกคนแต่ใครเคยคิดไหมว่าไอ้เชื้อที่ความเห็นผิดเนี่ย ถ้าวันใดวันหนึ่งเราประมาทเราเลิ น, เ ล, นเล่อบ่อยๆในสังสารวัตเราเนี่ต้องต้องบอกว่าเป็นสัตว์ที่เล่นกับสังสารวัตแล้วก็ติดอยู่กับสังสารวัตและหลายๆท่านยังไม่เคยอยากจะคิดออกจากสังสารวัตเราดูว่าบางคำภีเนี่ยไม่ว่าจะโศตตะกีเป็นต้นเรานเนี่ยนะท่านบอกว่าพระมหากระศกใช่ไะ พระมหากระสปะของเราที่ปรินิพานไปแล้วเนี่ยท่านเคยเกิดเป็นช้างตอนที่พระโพธิสัตว์เป็นพระเจ้าเวดินในในคัมภีร์สัมภาระวิบากที่ช้างตกมันช้างตัวตกมันนั่นแหละบางอภพีชีไปว่นนี้ไงก็แปลว่าท่านเนี่ยเกิดมาเนี่ยยี่สิบอสงไขยเลยก่อนหน้านั้นด้วยเนี่ยต้องดูที่ ท่านาก็เจ็บปวดมาตลอดแต่ตอนนี้ท่านไม่เจ็บปวดแล้วดูเส้นทางเดินของท่านเราเดินแค่พอสืบค้นได้เราก็จะเห็นว่าสังสารวัฏมันน่ากลัวสักปานใดแค่ทีนี้จากสัตว์เดรัจฉานในที่สุดจริงๆท่านทำวัฏต่างให้ขาดได้เพราะท่านไม่ประมาทในมิจฉาทิฏฐิท่านไม่เลินเล่กับมิจฉาทิฐิท่านไม่พอใจกับมิจฉาทิฐิท่านไม่ยินดีกับ มิจฉาทิฏฐินั้นท่า น, นเมื่อมิจฉาทิฏฐิของท่านเนี่ยเกิดขึ้นมาท่านก็ระมราาัดระวังไม่ให้มันถลําลึกลงไปแต่ถ้ากลุ่มที่เป็นตอเป็นขวากเป็นหนามเป็นตอของวัฏฏะที่มันถอนออกจากวัตฏะไม่ได้เพราะรากมันฝังฝังลึ ก, กนในวัฏฏะเสแล้วตัดรากตัวเองออกไม่ได้นคือพวกที่มันไม่ยอมออกแล้วความเห็นที่ปิดแน่นแล้วปิดแน่นถึงนาดบางกัมพีท่านบอกว่า อาจารย์ของพระอาจารย์นุ้งบอกว่ามิจฉาทิฏฐิประเภทนี้จะถามมิจฉาทีฏฐิถ้าอยู่ในโลกใบนี้ถ้าเกิดไฟไหม้น้ำท่วมจักรวาลเวเตอร์เหล่านี้จักรวานพังไปแล้วเนี่ยถามว่าสัตว์เหล่านี้จะไปเกิดยังไงเขาบอกสัตว์เหล่านี้จะหลุดจากจักรวาลก็ไปเกิดอยู่ขอบจักระวาลแปลว่าหลุดวงจรกลายเป็นบุคคลที่หมดโอกาสพ้นทุกไปเลย ที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยเรายังไม่หลุดนะ่และเราจะทำตัเองให้มันหลุดกระแสของสัพพัุตยานไปทำไมคาว่าหลุดกระแสของสัพพัุตยานหมายความว่าสัพพัญญุตยานไม่สามารถโปลดได้ถ้าถึงวันนั้นมาเนี่ยถามว่าจะร้องไห้อย่างไงถ้ามันออกจากวตาไม่ได้จะร้องไห้กับใครแล้วจะไปถอนความเห็นยังไงนี่ไงกลุ่มเราท่านทั้งหลายถามว่า มากคยถามหลายครั้งว่าอันนี้เรามาทําอะไรกันเรามาจะพบไหนอันนี้คือชมพูทวีปอันนี้คือทวีปของคนมีบุญพระเจ้าจักรพรรดิพระรหันตสาวกพระประเจกับพระุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเขามาเกิดในทวีปนี้กันทั้งนั้นสแสดงว่าเราท่านทั้งหลายมีอัธยาศัยพอสมควรแล้วเราจะให้มันหลุดออกไปหรือ โดยชนิดที่หลุดออกไปแบบเป็นตอของวัตตะถ้าอย่างนั้นเราวิบัตินะเราเสียหายนั่นคือฝากให้คิดทีนี้พอเราเห็นคุณของพระพุทธเจ้าเวลาท่านขยายการศึกษาคุณของพระพุทธเจ้าแต่ละบทแต่ละอัดแต่ละพยัญชนะเนี่ยประโยชน์ได้ตรงไหนประโยชน์ได้ก็คือการเห็นคุณของพระพุทธเจ้ากับการเห็นโทษของสังสารวัฏถมเมื่อเห็นคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยอะไรจะเกิด ปลาโมดเกิดเมื่อปลาโมดเกิดแล้วก็เป็นปัจัยแก่ปีติปีติเกิดก็เป็นปัจัยแก่ปัจสถาธปัจสถิเกิดก็เป็นปัจัยเก่ความสุขความสุขเกิดก็เป็นปัจัยแก่สมาธิมทีนี้นสมาธิเนี่ยถ้าระดับสูงจริงๆหมายถึงสมาธิที่เป็นอริยะที่สมาธิจะเป็นอริยะจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ได้ต้องมีปจัจจัยต้องมีปัจจัยต้องมีองค์ประกอบ นี่ปัจจัยหรือองค์ประกอบในการที่จะเกิดสัมมาสมาธิที่เป็นอริยะนั้นน่ยก็ดังที่ได้กล่าวว่ามีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวสัมมาวิมารสมาสติอันนี้คือเหตุนี่คือปัจจัยนี่คือองค์ประกอบของสัมมาสมาธิที่เป็นอริยะเราท่านทั้งหลายตอนเนี้เราฟังพระธรรมเนี่ยอธยาสายเราตั้งยังไงถ้าเราตั้งเพื่อรู้อย่างเดียวเนี่ยมันได้แค่สุตะ มันได้แค่สุตตะทีนี้สุตตะบางครั้งเมื่อตั้งไว้มากๆบางครั้งก็เป็นอารักขาทูปริยัตก็ได้เป็นอารักขาทูปริยัติก็ไ ด, ะะได้ทีนี้พอตั้งไว้ผิดเบสเสร็จปุ๊บในที่สุดจริงๆเราก็จับปริยัตผิดก็เหมือนกับจับงูพิดทางหางเราก็เดินทางผิดคนที่เป็นต่อของวัตตะอีกท่านหนึ่งก็คืออริทกะภิคุ นั่นคือการจับปริยัตินั่นคือผู้ทรงปริยัติจับปริยัติผิดจับด้วยตัณหาจับด้วยมานะจับด้วยทิฏฐิและเป็นยังไงได้ตอกฝังมิจฉาทิฏฐิลงสู่กระแสขันของตนเองเรียบร้อยแล้วน่าจะว่าอย่างไงอาจรมังใช้คำว่าพวกเราเนี่ยในสังสารวัฏเนี่ย บางภพชาติเคยเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกแล้วบางภพชาติก็เป็นอบายศัสตร์มาแล้วบางภพชาติชำนาญในพระธรรมคำสอนมากเป็นผู้ชำระคคำสอนซะเองแต่บางภพชาติก็เป็นผู้ไปทาลายคำสอนเลยนี่คือความน่ากลัวนี่คือภาระนี่คือขันธภาระที่เราท่าทั้งหลายต้องแบกกันอยู่เนี่ยฉะนั้นการแบกขันธภาระเนี่ยไม่ใช่เรื่องน่าน่าเพิดเพลิ ถ้าโยมวิจัยพระธรรมวิจัยขันธาเดียญชนะไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆสิ่งที่ยอมจะเห็นคือทุกข์พอเห็นทุกข์ที่มันหยั่งลงสู่กระแสของขันธะเดียญชนะมากมากแต่โยมมีข้อจำกัดว่ามันยังออกจากทุกข์ไม่ได้มันจะมีความรู้สึกยังไง ร, รูไ้ไ่มมันจะมีความรู้สึกว่า ออื uh ืห huh. ทุกมันเต็มไปหมดแล้วเนี่ยอาจจะออกไปอย่างเพลิดเพลินสะดวกสบายเหมือนกรรมคุณก็ไม่ได้วิจัยขันท่าอจะตะนะเห็นเป็นทุกแต่ปริมาณของการวิจัยมันก็ไม่พอมันก็ยังออกจากวัตฏะไม่ได้ชีวิตที่เหลือมันน้อยเป็นชีวิตที่หน้าหน้าหวาเสียวจริงๆเหมือนเราท่านทั้งหลาย แา่ว่าบางคนบอกว่าเออจะไปวิจัยขันธาแต่ยตนะตอนอายุมากๆฐานะตรงนั้นเริ่มหายเลื่อนลื่นหลางท่านจะกลายเป็นคนเลอะเลือนสมองมันไม่รู้จะฟองเมื่อไรความทรงจํามันไม่รู้จะได้แค่ไหนอย่างไรก็ลองคิดดูว่าในขณะที่เราฟังว่าทำกันตอนเนี้ยในขณะที่กําลังฟังอยู่เนี่ยถามว่าใจหลุดลอยออกไปข้างนอกเท่าไหร่เ้องจะเห็นเลย ทีนี้ในหลักตรงนี้อาตมาพยายามไปเชื่อมประสานก็คือบอกว่าการฟังธรรมจากพทะเจ้านี่ในและสาวกของพระเจ้าเป็นปัจจัยในการบรรลุได้นี่ข้อแรกข้อที่สองอาตมาสรุปตรงเนี้นะข้อที่สองผู้แสดงธรรมเมื่อเราฟังพระธรรมมีความเข้าใจพระธรรมเบ็ดเสร็จแล้วเราเอาพระธรรมที่เราเรียนมาเราฟังมาอย่างดีนั่นแหละศึกษามาข้อมูลมาอย่างดีละ่ะรู้เบื้องต้นทำกลางและที่สุดในด้านของพระธรรมคําสอนเป็นอย่างดี ในขณะเดียวกันเราก็ไปสาธยาเออไปไปไปไ ป, ไปเทศไปเท ศ, เทศนาไปกล่าวพระธรรมเหมือนอาตมากํากลัางกล่าวพระธรรมอยู่ในขณะที่อาตมากล่าวในเรื่องของพุทธคุณคือคุณของผู้มีภาคเจ้ายกตัวอย่างเช่นว่าคําว่าอิติเนอตมากก็สาทยายบอกว่าตินโน โ, โยวาตุดุคามาตินังโลกาณมุตตาโม О, ติโสภูมิอาิกันโต ตินนาะโอคังนา ม, ามีหังบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดข้ามแล้วจากทุกในวะตะัตจัดคือพระบรมศาสดาเนี่ยข้ามแล้วจากขันธาตุอายตนะพระองค์ไม่เกี่ยวข้องกับขันธาตุอายตนะอีกต่อไปแล้วแม้ขันธาตุอายตนะของพระองค์ที่สั่งสมบารมีมายี่สิบประสงค์ขยยิ่งโดยแสนกับยังผลิตวิบากให้พระองค์ไม่จบไม่สิ้นยังเหลืออีกมากมายนะ แต่ขันธาติยตนะซึ่งเป็นตัววัตตาอันนั้นพระองค์ข้ามได้แล้วตัดได้แล้วได้ทําให้ขาดไปจากกระแสของขันแล้วอย่างถาวรแล้วทําให้ขาดไปจากกระแสของพบเพราะพบนี่นะไม่ว่าจะในกางมาพบรูปะพบเรือรูปะพบตามสืบค้นหากระแสขันธาติยตนะของพระบรมศ า, ศาสดาไม่มีอยู่แล้วณนะพบไหนนั้นชื่อว่าพราะองค์นั้น ข้ามได้แล้วจากกระแสะของขันธาตุอายตนะเมื่อพระองค์ข้ามได้แล้วจากกระแสะของขันธาตุอายตนะนั้นเขาเรียกว่าพระองค์นั้นน่ยพ้นแล้วข้ามได้แล้วจากทุกขตราบใดที่เรายังเกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่อันนั้นคือเป็นตัวทุกบุคคลที่พ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจได้อย่างถาวรเขาเรียกว่าบุคคลนั้นพ้นทุกคือพ้นจากวัตถะ ผู้สูงสุดกว่าโลกทั้งสาคือกามภูมิรูปประภูมิูอะรูประภู ม, ภมผู้ก้าวล่วงแล้วซึ่งภูมิทั้งสามข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ข้ามแล้วซึ่งโอคะทั้งสี่คือกามโมคะโอคะคือกามทิฏโคะโอคาคือทิฐิคือความมิจนผิดพระโวคะโอคะคือพบทั้งหลายอาวิชโคะโอคาคือความหลงความมัมวเมาความมืดมนอุนทานทั้งหลายพระองค์ข้ามได้แล้ว ฉคนั้นข้าพเจ้าขอนอบน้อมในขณะที่อาตมากำลังสาทยายพระธรรมกล่าวเทศนาพระธรรมไปอยูถ้าจิตผู้กล่าวมีอาตมาเป็นต้นนะในขณะนั้นเกิดรู้แจ้งอธรรมของพระธรรมที่กล่าวเห็นของเห็นโทษเออเห็นเห็นคุณของพระพุทธเจ้าจริงๆว่าเส้นทางการสร้างบารมีของพระบรมศาสดาเริ่มตั้งแต่ปฐมจิตเป็นต้นเนี่ยนะ ไล่มาตามลำดับจนถึงตัสรู้ประกาศพระธรรมแล้วก็เสด็จดับขันธปริถานจาก20อสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากับเนี่ยเห็นเห็นชัดคำว่าเห็นชัดก็คือว่าจําได้แล้วก็สุตานี่จําได้แล้วก็ไปคิดไปตรึกเพราะตรึกด้วยอัฏฐะอัฏฐะก็คือเห็นการสร้างบา ร, รมีของพระพุทธเจ้าชัดมันเด่นชัดในใจ พอเด่นชัดในใจเกิดปลาโมดนะเกิดปีติเห็นคุณของพระเจ้าว่าไม่มีบุคคลใดในโลกเลยที่จะมีคุณเท่ากับพระบรมศาสดาพระบรมศา ส, าสดามีพระคุณแก่ข้าพเจ้ามากจริงๆข้าพเจ้าจะสละชีวิตถวายเป็นพุทธบูชาสักล้านล้านล้า น, านอันตราพาดก็ภาพก็ยังไม่สามารถที่จะบูชาคุณขงท่านไดอย่างจบสิ้นสิ้นนะเห็นชัดเด่นชัดในใจอันนี้เรียกอัฐาอัฐาปรากฏ มันเห็นเนี่ยก็มันมันสถเทือนใจแล้ะ เ, เห็นเห็นในเพราะปลาโมดเกิดปีติเกิดปัสสธิเกิ ด, กดความสุขก็เกิดและเข้าจิตก็เป็นสมาธิพอพอหลังจากนั้นก็เริ่มเดินพอจิตดิ่งในอารมณ์เดียวก็ออกออกจากจิตที่ดิ่งในอารมณ์เดียวก็มาวิจัยวิจัยขันา ธ, ธนาตุอายตนะที่เป็นปลาโมดปีติปัสสถิ แท้ที่จริงขันทาอยยตนะเหล่านี้แท้ที่จริงก็คือเป็นนามเป็นรูปนั่นเองที่มันเกิดขึ้นแต่ก่อนไม่มีก็มามีมาเนี่ยเพราะได้เหตุได้ปัจจัยจากการติกพุทธคุณ